Bye. <laughs> แปรเทศหลวงพ่อทีวิจิตธรรมะเรื่องสมถะสู้ที่ผลวิปัสนาสู้ที่เหตุพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าหากเราต้องการเกลือก็ต้องทำนาเกลือเราต้องไปหาน้ำมาหาสมุทรมาหาสมุทรนั้นจะตักเอาตรงไหนก็เป็นเกลือทั้งนั้นถ้าอยากมีเงินทองมากก็ต้องไปอยู่กับคนที่มีเงินมีทอง และที่มีคนมากๆถ้ามีคนมากๆเงินทองก็เข้ามาหาเราถ้าเราอยากเป็นเทวดาเราจะทำอย่างไรเราก็ต้องอยู่กับศิลหรือรักษาศิลให้ดีถ้าหากว่าเราอยากจะเป็นพรมเราก็ต้องปฏิบัติสมถะอย่างครืงครัดถ้าหากเราประสงค์อยากได้มรรคผลนิพพานก็ต้องอยู่ร่วมกับสมาธิทฐิกับสัมมาสกปะอยู่ตลอดเวลา สิ่งที่กล่าวมานี้คือเจตนาที่เราอยากจะเป็นเราอยากจะเป็นอะไรก็จงทําเหตุกับสิ่งนั้นถ้าเราอยากเป็นคนรวยแล้วไปอยู่กับคนสองสามคนหรือคนกลุ่มน้อยก็รวยไม่ได้เงินทองมาหาเราไม่ได้ถ้าหากเราอยากได้เกลือแล้วไปอยู่ตามร่องน้ําเล็กๆหรือห้วยต่างๆเราก็ไม่ได้เกลือ ถ้าหากเรานั้นประสงค์ที่จะเป็นคนดีและเทวดาดีแต่ไม่ประพฤติไม่รักษาศีลห้าเลยมีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทําให้คนอื่นตายก็จะเป็นคนดีไม่ได้ถ้าหากว่าเราประสงค์อยากเกิดเป็นพรหมแต่เราไม่ประพฤติปฏิบัติสมถะสีประการอนุสติพุทธทางนุสติเราก็จะไปเกิดเป็นพรหมไม่ได้ ถ้าหากว่าเรานั้นต้องการมรคนิพานเราขออ้อนวอนอยู่ทุกวันไม่อยู่กับปัญญาสมาธิิและสมาสังกปะแล้วทำอย่างไรก็ไม่ได้มรคนิพานทุกคนที่เกิดมาไม่ว่าเชื้อชาติไหนศาสนาใดก็มุ่งหวังที่จะเป็นคนดีเทวดาดีพรหมดีและอยากได้มรคนิพานกันทุกทุกคนเมื่อทุกทุกคนหวังแต่ผลดีอย่างนี้ แต่ไม่ปฏิบัติเหตุที่จะเป็นคนดีเทวดาดีปรมดีแล้วหวังมรรคผลนิพพานอย่างไรก็จะไม่ได้พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าหากเราอยากได้กุศลดีต่างๆแล้วไม่เอาอโลภะอโทสะอโมหะ13ตัวนำหน้าในการสร้างกุศลดีแล้วกุศลดีก็ย่อมไม่เกิดขึ้นได้ในปัจจัย24นั้น คำว่าปัจจะยะคือเหตุนั่นเองเหตุ24อย่างในปัจจัย24ประการเราทำเหตุใดก็จะเกิดผลนั้นหรือทำเหตุทั้ง24เราก็จะได้ผล24นั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าคนเทวดาทำกุศลก็ไม่มีผู้ที่ทำกุศลต่างๆนั้นก็คืออโลภะอโทสะ อโมหะอโลภะอยากได้นิพพานสงบเย็นอยู่อโทสะก็ทำให้จิตใจชื่นชมยินดีอโมหะคือรู้จักเหตุดีเหตุร้ายผลดีผลร้ายเมื่อเอาทั้งสามอย่างนี้นำหน้าจึงก่อให้เกิดกามาวจรกุสลรูปาวจรกุศลและารูปาวจรกุศลรวมแล้วกุศลมีทั้งหมด17เจ็ดวง บุญกุศลต่างๆเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยอโลภะอโทสะอโมหะด้วยเหตุผลนี้สรุปได้เป็นสองประการคือเหตุโลกิยะและเหตุโลกุตระไฟที่เป็นโลกิยะนั้นก็ก่อให้เกิดกามาวจรกุศล8รูปาวจรกุศล5และอรูปาวจรกุศลสรวมแล้วเป็น17ด เหตุที่เป็นกุศลทั้ง1 7ดวงนั้นเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยอมโมหะอมโมหะนี่คือปัญญาหากอยู่ร่วมกับโลกิยะก็เป็นโลกิยะถ้าอยู่กับโลกุตระก็เป็นโลกุตระอธูสะคือความยินดีในกุศลที่เป็นกรมกุศลอนุกุศลและโลกุตระกุศล การที่ได้เกิดมาเป็นคนเป็นเทวดาต่างๆนั้นก็อาศัยปัญญาที่เป็นโลกิยะต่างๆนั้นคำว่ากามาวจระภูมินั้นอีสองประเภทคือหนึ่งคนสองเทวดาพรมมีสองประเภทมีทั้งโลกิยะและโลกุตระสิ่งที่ก่อให้เกิดเหตุและผลมานี้ไม่ใช่คนไม่ใช่เทวดา พระพุทธองค์ทรงตรัสว่ากามะกะระโกนติสิ่งที่กระทำก็คืออโลพะอโทสะอโมหะทำให้เจตสิกทั้งหลายทำงานและก่อให้เกิดกุศลต่างๆขึ้นมาเช่นการทำทานรักษาศีลภาวนาคำว่ากามะกะระโกนติคือเทวดาพรมที่ทำความดี ความชั่วนั้นไม่มีที่ว่าคนหรือเทวดาทําชั่วนั้นเป็นเพียงแค่ชื่อหรือบัญญัติเท่านั้นที่แท้จริงแล้วสิลเจตสิกโทสะเจตสิกโมหะเจตสิกสามอย่างนี้ทํางานร่วมกับอกุศลแล้วก่อให้เกิดเหตุชั่วขึ้นมาวิปากสปะเวทะโกรติคนเทวดาพรหม รับเอาผลดีผลร้ายก็ไม่มีเหมือนกันผลเป็นอะไรเป็นวิบากหรือสิ่งที่ได้รับกลับมาหรือเรียกว่าเป็นวัตตะกรมวัตตะกามก็คือกามกุศลแปดดวงวัตตะคือสิ่งที่ได้มาเช่นวิญญาณเวทนารูปสัญญาสังขารวิญญาณนานกาสปะเวทนา ทำห้าอย่างนี้เรียกว่าวตะวิญญาณานุกัสสะเวทนาทำห้าอย่างนี้เรียกว่าวิปากัสสะเวทโกรติคือคันห้าวิญญาณานุกัสสะเวทนานี้ไปอยู่ที่ไหนก็เรียกตามบัญญัติที่นั่นถ้าไปอยู่ที่คนก็สมมุติว่าเป็นคน พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่ามีเหตุกับผลเช่นเกลือก็มีเหตุในน้ำมหาสมุทรคนจะรวยก็ต้องไปอยู่ที่ที่มีคนจำนวนมากมรรคผลนิพพานนั้นเหตุก็คือปัญญาเมื่อเราเข้าใจเหตุและผลอย่างนี้ดีแล้วเราก็จงสร้างเหตุไปเรื่อยๆผลนั้นแม้ไม่มุ่งหวังอยากได้ก็จะเกิดขึ้นมาเอง สิ่งดังกล่าวมาแล้วเป็นวาทะของพระพุทธองค์ซึ่งมีเหตุกับผลเท่านั้นเหตุนั้นคือสังขารผลนั้นคือวัตตะหรือเรียกว่าวัตตสงสารสังขารนั้นคือโลภะโทสะโมหะเรียกว่าอากุศลและวัตตะก็คือวิญญาณนามรูปยตณนะสังขารนั้นเกิดดับเกิดดับ วัตตะก็เกิดดับเกิดดับเรียกว่าวัตตะอนิจังต่อมาสังขารวัตตะทุกขังเป็นเหตุโลภะโทสะโมหะสังขารนั้นคืออโลภะอโทสะอโมหะหรือโลภะโทสะโมหะเหตุสองอย่างและได้ผลคือวิญญาณานุกสปะเวทนาซึ่งเป็นทุกขัง เป็นความทุกข์ในคำว่าสังขารและวัตะนนี้ถ้ามากล่าวในอริยสัจสี4คำว่าสังขารก็คือสมุทยัยวัตะก็เป็นทุกข์ขันหและทุกข์หรืออัตตาดับไปเรียกว่าขันธนิโรธนิพพานและสังขารดับไปเรียกว่ากิเลสนิโรธนิพพาน สิ่งที่ทำให้เหตุกับผลดับไปนั้นก็คือมัคปฏิปทามัคซึ่งตัดกิเลสปฏิปทาคือการปฏิบัติมาเพื่อตัดกิเลสการได้มาซึ่งมัคตัดกิเลสนั้นก็มีมัคปฏิปทาและอยามสมาธิสังกปโปเหตุก็คือสมาธิธิและสมาสกปะสองตัวข้อวัดปฏิบัติสองประการ ที่กล่าวมานี้หากว่าเราได้มีโอกาสปฏิบัติแล้วกิเลสนินโรธกับขันธะนินโรธนั้นเราไม่มุ่งหวังอยากได้ก็จะเกิดขึ้นมาเองและถ้าหากถามว่าเหตุกับผลนั้นอันไหนเกิดขึ้นมาก่อนก็ตอบไม่ได้ตัวอย่างเช่นต้นขนุนมาจากไหนก็มาจากผลของข น, นุนหรือผลก็มาจากต้น เหตและผลก็เหมือนกับต้นไม้ดังกล่าวถ้าไม่มีต้นก็ไม่มีผลถ้าไม่มีผลก็ไม่มีต้นถ้าถามว่าเหตุและผลเกิดขึ้นมาตอนไหนก็ตอบว่าเหตุกับผลเกิดขึ้นมาพร้อมๆกันเมื่อไม่มีเหตุผลนั้นก็เกิดไม่ได้ถ้าถามว่าทุกนั้นมาจากไหนถ้าไม่มีเหตุก็ไม่มีความทุกข์ถ้าหาก เหตุเกิดก่อนและผลนั้นมาจากไหนที่จริงแล้วก็เกิดมาพร้อมๆกันเหมือนกับต้นไม้ที่ยกตัวอย่างมานั้นต่อมาคือสุขะสุขะคืออะไรคือสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะเกิดจากอะไรเกิดขึ้นมาเองนั้นไม่ได้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะถ้าไม่มีนินโรธก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้ นินโรธคือผลของสมาธิิและสมาสังคปะถ้าหากว่าไม่มีนินโรธมักสัตย์ก็จะไม่เกิดทำสองอย่างนี้ก็เหมือนกับต้นไม้และผลของต้นไม้พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าการมะกะระโกนติกามะหมายถึงเหตุีเหตุชั่วนติหมายถึงไม่มีกระโกวะทะโกคือ ผลดีผลร้ายทั้งเหตุและผลนี้ก็ไม่มีที่ว่าไม่มีนั้นเพราะว่าเมื่อเกิดขึ้นมาก็ดับตามอยู่ต่อเนื่องคือเกิดขึ้นก็ดับเกิดขึ้นก็ดับและสมาธิฐิสมาสกปะก็เหมือนกันเกิดขึ้นมาก็ดับเกิดขึ้นมาก็ดับอยู่ตลอดเวลาจึงเรียกว่านัตติซึ่งไม่มี และอัตาก็เหมือนกันถ้ารูปและนามเกิดขึ้นมาก็เกิดขึ้นถ้ารูปนามดับก็ดับตามอันนี้เรียกว่านัตติซึ่งไม่มีเหมือนกันสิ่งที่ไม่มีนั้นคืออะไรก็คือบัญญัติทั้งหลายและสิ่งที่มีก็คือปรมัติต์ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าไม่มีก็เพราะพระพุทธองค์ทรงมุ่งตรงไปที่บัญญัติ แต่ที่มีคือปรมาต์สิ่งดังกล่าวมานี้ก็ได้พูดถึงเรื่องเหตุกับผลสองอย่างเมื่อมีเหตุก็มีผลเมื่อเหตุดับผลก็ดับในเรื่องดังกล่าวหากเราเข้าใจแล้วก็จะไปนิพพานเป็นถ้าหากเรายังไม่เข้าใจเรื่องของเหตุและผลนิพพานนั้นก็ไปไม่ได้ไปไม่เป็นเหตุและผลสองคู่ คือหเหตุทุกข์กับผลทุกข์ 2. เหตุสุขกับผลสุขเหตุสุขกับผลสุขเป็นอะไรให้เราทําความเข้าใจให้ดีว่าเหตุทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยและผลทุกข์เพียงแต่ข่าเหตุและผลก็จะดับไปเองถ้าหากเราไม่รู้จักเหตุทุกข์และละวางเหตุแห่งทุกข์เพื่อรับผลสุขได้อย่างนี้ แม้ว่าธรรมนั้นจะเกิดอยู่ตลอดเวลาเราก็หาไม่เป็นผู้ที่ไม่รู้เหตุไม่รู้ผลนั้นมีตัวอย่างคือในเมืองวิเทหานั้นมีนายกสี่คนเป็นคนชอบคุยโอ้อวดมากพระราชาจึงอยากทดสอบความสามารถว่าเขามีปัญญาจริงหรือไม่วันหนึ่งพระเจ้าวิเทหาจึงนำเอาทัพทีมที่มีค่าไปวางไว้บนต้นไม้ในรังนกกา ที่อยู่ทางทิศเหนือเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นแสงก็จะสะท้อนไปอยู่ในสระน้าเมื่อชาวบ้านชาวเมืองเห็นอย่างนั้นก็พากันไปดูและคิดว่ามีทัพทีมอยู่ในสระน้าเมื่อข่าวนั้นทราบถึงพระเจ้าวิเทหะพระเจ้าวิเทหะจึงให้นางสนมทั้งห้าร้อยคนนั้นไปดูว่าจริงไหมเมื่อนางสนมห้าร้อยคนเดินทางไปที่สระน้านั้นก็เห็นจริง จึงกลับมากราบบังคมทูลว่ามีจริงพระองค์ก็ทรงสั่งให้รัฐมนตรีไปดูอีกเมื่อเขาเหล่านั้นไปดูก็เห็นมีแสงจริงๆจึงมากราบทูลว่ามีจริงต่อจากนั้นพระราชาจึงสั่งให้มเหสีไปดูมเหสีก็ไปดูเห็นแสงที่สะท้อนอยู่ในสระน้ําก็มากราบทูลว่ามีจริงเหมือนคนอื่นๆทีนี้ก็เหลือแต่นายกสี่คนหนึ่ง ปูแสงสองเตวินตะสากามิงตะและสปากกุ๊บพระองค์ทรงสั่งให้สี่คนไปดูว่าเป็นความจริงหรือไม่เมื่อนายกทั้งสี่เดินไปดูบริเวณรอบรอ บ, รอบสระน้ำก็เห็นแสงสะท้อนนั้นจริงๆจึ ง, จ ง, จงมากราบทูลว่ามีจริงเมื่อพระราชาได้ยินดังนั้นจึงสั่งให้หนายกทั้งสี่และคนอื่นๆเหล่านั้นว่า จงไปเอาทัพทิมนั้นมาให้เรานายยกทั้งสี่ก็ไปหานักประดาน้ำมาดำน้ำหาทัพทิมดำไปดำมาน้ำก็ขุนแสงสะท้อนก็หายไปหมดนายกทั้งสี่ก็ขอให้ชาวบ้านมาขุดวิดน้ำออกเมื่อน้ำออกไปแล้วแสงสะท้อนก็ไม่มีทำอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกทุกวันทำให้ชาวบ้านชาวเมืองเดือดร้อน ชาวบ้านก็ประท้วงว่านายกสี่คนนี้ไม่ดีเลยมีแต่เกณฑ์ให้ชาวบ้านมาขุดสระค้นหาทับทิมงานบ้านไร่นาก็ไม่ได้ทำนายกทั้งสี่จึงไปกราบทูลพระราชาว่าทับทิมในสระนั้นเทวดาไม่ยอมให้เมื่อดำน้ำไปค้นหาก็เอาไปซ่อนเมื่อวิทย์น้ำออกก็เอาไปซ่อนอีกพอเอาน้ำใส่ในสระก็มีแสงสะท้อนอีก เป็นอย่างนี้เรื่อยๆในพระราชวังก็มีพระมโหสถกุมารอายุสิเจปีพระราชาทรงสั่งว่าจงไปเอาทัพทิมนั้นมาให้เราเมื่อพระมโหสถเดินไปเวียนดูรอบๆสระน้ำเมื่อไปทางทิศตะวันตกก็สะท้อนมาทางทิศตะวันออกและเมื่อไปทางทิศตะวันออกแสงสะท้อนก็มาทางทิศตะวันตกจึงให้บริวารเอาน้าใส่โอ่งมาวาง แสงนั้นก็โผกขึ้นมาในองค์พระมหโหสถจึงพิจารณาว่าทัพทิมนั้นไม่มีในสระน้ำแน่นอนและพิจารณาต่อไปว่าทักทิมจะต้องมีบนต้นไม้ไม่ต้นใดก็ต้นหนึ่งหรืออยู่ในรังนกกาจึงให้บริวารขึ้นไปดูและไปพบทักทิมอยู่ในรังนกกาจริงๆเมื่อสามารถนำทักทิมไปถวายพระราชา พระราชาจึงทรงพอพระทัยมากพระราชาเชื่อถืออย่างที่สุดวิธีหาเหตุผลนั้นก็เหมือนกับทับทิมที่อยู่ในรังนกกาและโผลสะท้อนอยู่ในสระน้ำพระมโหสถหาทับทิมโดยใช้เหตุและผลเหตุนั้นทับทิมอยู่ในรังนกกาผลนั้นแสงสะท้อนอยู่ในสระน้ำคันห้าของเรานั้นก็เปรียบเหมือนกับเงาแสงสะท้อน ที่เกิดมาจากรังของนกกาและเหตุนั้นก็เหมือนกับอัตตาทิฐิขันและความสุขต่างๆก็เปรียบเหมือนเงาของทับทิมที่เกิดขึ้นอยู่ในสะทับทิมที่อยู่ในรังนกกาก็เหมือนกับเหตุที่เกิดความทุกข์และความสุขถ้าอยากให้ความทุกข์ดับไปก็ให้เอาทับทิมที่อยู่ในรังนกกาออกซึ่งเป็นการแก้ที่ต้นเหตุ ผลของแสงสะท้อนนั้นก็หายไปคือทุกขก็จะหายไปสิ่งดังกล่าวมานี้เป็นเรื่องของเหตุและผลหากเราเข้าใจเรื่องเหตุกับผลดีแล้วไปขจัดที่ต้นเหตุเหมือนกับพระมโหสถแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะไปหลงอยู่กับที่ผลเหมือนกันนายกทั้งสี่คนเหมือนคนโง่การปฏิบัติสมถะ ท, ทั้งสี่สิปประการ มีอสุภสิบกษินสิบอนุสติ1ิพรหมวิหารสอรุปฌานสี่อาหาเรปฏิกูลสัญญาหนึ่งและจตุถาวัตฐานหนึ่งก็เปรียบเหมือนกับการสู้ที่ผลเหมือนกับนายกทั้งสี่คนการปฏิบัติเช่นยุบหนอพองหนอทั้งวันนั้นก็เป็นการเอาเงาแสงสะท้อนจากในสระน้ำซึ่งหาที่ผล แก้ที่ผลแต่ถ้าเราแก้ที่เหตุก็ต้องไปเอาทับทิมที่อยู่ในรังของนกกาออกยุบหนอพองหนอนั้นเป็นเงาสะท้อนของแสงซึ่งเรียกว่าผลอัตาเป็นเหตุแห่งทุกข์อตานั้นเป็นทับทิมที่อยู่ในรังนกกายุบหนอพองหนอนั้นเป็นทุกข์เป็นเงาของแสงในสระน้ำถ้าอยากให้ทุกข์นั้นหายไป หรือแสงสะท้อนในสระน้ําหายไปก็ต้องเอาอัตตาออกคือเอาทับทิมในรังนกกาออกพระพุทธองค์นั้นเป็นอนัตตวาทะคือวิธีแก้นั้นก็ไปเอาเหตุคือทับทิมที่อยู่ในรังนกกานั้นออกไปแต่วิธีปฏิบัติของพรามหมณ์ฮินดูนต่างๆนั้นเขาก็ไปแก้ที่ปลายเหตุคือผล เช่นการปฏบิบัติบางครั้งยังไม่ยอมลุกจนต้นไม้ออกที่หัวยาก ง, งอกบนหัวหรือนั่งจนกลายเป็นหินก็มีวิธีปฏิบัติอย่างนี้เหมือนกับดำน้าหาแสงสะท้อนในสระหรือการไปหาที่ผลเท่านั้นขอให้เข้าใจว่าวิธีปฏิบัติวิปัสสนานั้นเป็นการสู้ที่เหตุทุกข์เหมือนกับการไปเอาทับทิมในรังนกกา แต่สมรรถนั้นเป็นการสู้ที่ผลไปดำน้ำวิดน้ำหาแสงสะท้อนในสระน้ำเราทั้งหลายเป็นชาวพุทธจงปฏิบัติอย่างพระมโหสถคือการใช้ปัญญาอย่างพระมโหสถเราจึงจะพ้นความทุกข์ถ้าหากเราไม่เข้าใจเหมือนกับพระมโหสถแต่ไปเข้าใจเหมือนกับนายยกสี่คนนั้นคิดว่าทัพทีมอยู่ในสระน้ำหาอย่างไรก็ไม่พบ เรานั้นก็ยังเป็นพรามอยู่โยคีผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายถ้าเราเข้าใจเหตุและผลอย่างนี้ดีแล้วมรรคผลนิพพานก็จะได้อย่างแน่นอน